วิธีคิดแบบที่5วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์คำนี้ไม่ใช่ของเดิมแต่จับใจความมาปรุงขึ้นใหม่ถ้าเรียงลำดับแท้ควรเป็นธรรมอัตถะหรือธรร ม, มัถะแต่เรียงเป็นอรรถธรรมเพื่อความสละสลวยและแม้ในคำพีทั้งหลายเมื่อเข้ารูปสมาธ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 และกระทาการได้ถูกต้องอัดหรืออัถะแปลว่าความหมายความมุ่งหมายจุดหมายประโยชน์ที่ต้องการหรือสาระที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติธรรมหรือกระทาการตามหลักการใดใดก็ตามจะต้องเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของธรรมะหรือหลักการนั้นๆว่าปฏิบัติ หรือทำไปเพื่ออะไรธรรมะหรือหลักการนั้นกำหนดวางไว้เพื่ออะไรจะนำไปสู่ผลหรือที่หมายใดบ้างทั้งจุดหมายสุดท้ายปลายทางและเป้าหมายถ้ำกลางในระหว่างที่จะส่งทอดต่อไปอยังธรรมะหรือหลักการข้ออื่นๆความเข้าใจถูกต้องในเรื่องหลักการและความมุ่งหมายนี้ นำไปสู่การปฏิบัติถูกต้องที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติแปลอย่างสืบๆกันมาว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแปลาตามความหมายว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่หรือปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่แปลง่ายๆว่าปฏิบัติธรรมถูกหลัก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 ตัวยอย่างความหมายของธรรมานุธรรมปฏิบัติจากบาลีและอธักธกถาปฏิบัติธรรมานุธรรมะคือปฏิบัติชอบปฏิบัติสอดคล้องปฏิบัติไม่ขัดปฏิบัติคล้อยตามอาธาัธถธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือดำเนินปฏิปทาส่วนบุปภาคอันเป็นธรรมะคล้อยตามแกโลกุตระธรธรมก้า คือดำเนินปฏิปทาส่วนบุพพาคพร้อมทั้งศีลเพื่ออัตตะคือโลกุตระธรรมคือปฏิบัติวิปัสนาธรรมอันเป็นธรรมะคล้อยตามอริยธรรมคือดำเนินวิปัสนามัคคาอันเป็นธรรมะอนุรูปแกอริยธรรมคือดำเนินปฏิปทาที่เป็นธรรมะคล้อยตามนิพพานธรรมซึ่งเป็นโลกุตระ คือเจริญวิปัสนาภาวนาอันเป็นธรรมะน้อยและสอดคล้องแก่โลกุตระธรรมธรรมานุธรรมะคือธรรมะและอนุธรรมธรรมานุธรรมะไขความว่าอนุธรรมคือปฏิปทาอันเหมาะกันแก่ธรรมะโลกุตระธรรมเก้าชื่อว่าธรรมะ วิปัสนาเป็นต้นชื่อว่าอนุธรรมปฏิปทาอันเหมาะกันแก่ธรรมะนั้นชื่อว่าอนุธรรมปฏิปทาถ้าไม่มีธรรมะอนุธรรมะปฏิบัติการปฏิบัติธรรมหรือดำเนินตามหลักการก็คลาดเคลื่อนผิดพลาดเลื่อนลอยว่างเปล่างมงายไร้ผลน้ำซ้ำอาจมีผลในทางตรงข้าม คือเกิดโทษขึ้นได้ธรรมะทุกข้อมีอัตถะหลักการทุกอย่างมีความมุ่งหมายธรรมะเพื่ออัตถหลักการเพื่อจุดหมายจะทำอะไรต้องถามได้ตอบได้ว่าเพื่ออะไรในทางธรรมะท่านเน้นความสาคัญของการมีความคิด มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวมากทั้งในแง่เป็นคุณสมบัติของบุคคลเช่นสัพพุริสธรรมเจ็ดและปฏิสัมพิทา4ีเป็นต้นและในแง่ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเช่นปัญญาวุฒิธรรมและแนวปฏิบัติธรรมที่จะยกมาแสดงต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจขอยกบาลีบางแห่งมาดูประกอบดังนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นธรรมัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมะคือสูตรเคยยะไวยากรณคถาอุทานอิติอุตะกะจาดกอะพุตธรรมเวทันละภิกษุเป็น อ, รรอัถถัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อัถถะแห่งธรรมะ ที่ภาษิทธ์แล้วนั้นๆว่านี้เป็นอัฏฐะแห่งธรรมะที่ภาษิทธ์ไว้ข้อนี้นี่เป็นอัฏฐะแห่งธรรมะที่ภาสิทธ์ไว้ข้อนี้ตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์คําว่าธรรมะในธรรมมันอยู่ก็หมายถึงหลักรัฐศาสตร์ธรรมเนียมการปก ค, ครองตามราชประเพณีเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพหูสูดและเป็นผู้เข้าถึงโดยสุตตะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนมีสุตตะคือความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับไว้บุคคลบางคนมีสุตตะคือสูตรเคยยะวยากรคาถาอุทานอิติวุตตะจาดกอะพุตธรรมเวทันละเป็นอันมาก เขารู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะแห่งสุดตะที่มากนั้นแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นพระหูสูตรและเป็นผู้เข้าถึงโดยสุดตะภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเราแสดงไว้แล้วเป็นอันมากคือสูตรเคยยะไวยากรณคถาอุทาน อิติวุติกาชาดกอะพุตธรรมเวทั ล, ละถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะแห่งคาถาที่มีสี่บาทแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักคือธรรมะนุธรรมะปฏิบัติก็ควรเรียกได้ว่าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าประการเหล่านี้ ยอมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเพื่อความอันตรทานแห่งสัตยธรรมกล่าวคือภิกษุทั้งหลายไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพไม่ทรงธรรมไว้โดยเคารพไม่ไตรตรองอัตถะคืออตุปริขาแห่งธรรมะที่ทรงไว้โดยเคารพครั้นรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นเพื่อความไม่ลบเลือนเพื่อความไม่อันตรธานแห่งสัจธรรมกล่าวคือภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมโดยเคารพย่อมเล่าเรียนธรรมะโดยเคารพย่อมทรงธรรมะไว้โดยเคารพย่อมไตรตรองอัฏฐะคืออัฐุปปริขาแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วโดวยเคารพรันรู้ทั่วถึงอัฏฐะ รู้โทวถึงธรรมะแล้วย่อมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติพึงสังเกตแนวธรรมะในสูตรนี้ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ฟังแล้วเล่าเรียนธรรมะไปสู่การทรงธรรมไว้ได้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 หรือคุณสมบัติที่ทำให้เป็นโซดาบันสีประการที่ตรัสไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมสีประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญากล่าวคือการเซวนาสัตบุรุษการฟังสั์ธรรมโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมะปฏิบัติเมื่อเทียบกันแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าแนวธรรมะทั้งสองนี้มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันข้อที่พึงสังเกตพิเศษก็คือข้ อ, อยยนิโสมนสิการสูตรที่อ้างข้างบนใช้คำว่าอัตถุ ป, ปริขาคือไตรตรองหรือพิจารณาอัตตะแทนการใช้คำว่าอัตถุ ป, ปริขาที่นี่ เสมือนเป็นการจำกัดความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณีนี้ว่ามุ่งวิธีโยนิโสมนศสิการแบบที่ห้าที่กำลังกล่าวถึงนี้โดยเฉพาะให้เห็นว่าเมื่อเข้าใจธรรมะกับอัตถะหรือหลักการกับจุดมุ่งหมายสอดคล้องกันดีแล้วก็ก้าวต่อไปสู่ขั้นธรรมานุธรรมะปฏิบัติลงมือทาได้อย่างถูกต้องต่อไป หากยังมองไม่ชัดว่าธรรมะกับอัฏฐะสัมพันธ์กันอย่างไรธรรมะมีอัฏฐะอย่างไรก็มีบาลีแสดงอัฏฐะแห่งธรรมะหรือความมุ่งหมายของหลักธรรมต่างๆไว้หลายแห่งพอยกมาให้พิจารณาเป็นแนวได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพึงทราบอธรรมและธรรมพึงทราบ อ, อนัตและอัต หรืออนัต t h และอัถฐ a รันทราบธรรมและธรรมอนัตและอัฏฐแล้วพึงปฏิบัติตามที่เป็นธรรมะเป็นอัฏฐ a อะไรคืออธรรมอะไรคือธรรมอะไรคืออนัต t h อะไรคืออัฏฐ a มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติคืออธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมายานสัมมาวิมุตติคือธรรมหรือธรรมะอกุศลลธรรมชั่วร้ายทั้งหลายเป็นอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิ จนถึงมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้คืออนัตหรืออนัตถากุศลธรรมทั้งหลายเป็นอนเนกที่ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้คืออัตหรืออัตถะวินัยเพื่ออัตถะคือสังวร สังวรเพื่ออัฏฐะคือความไม่มีวิปติสารความไม่มีวิปติสารเพื่ออัฏฐะคือปราโมทปราโมทเพื่ออัฏฐคือปีติปีติเพื่ออัฏฐะคือปัสสติปัสสธิเพื่ออัฏฐะคือสุขสุขเพื่ออัฏฐะคือสมาธิ สมาธิเพื่ออัฏฐะคือยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเพื่ออัฏฐะคือนิพพิทานิพพิทาเพื่ออัฏฐะคือวิราคาวิราคาเพื่ออัฏฐะคือวิมุตติวิมุตติเพื่ออัฏฐะคือวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเพื่ออัธฐะ คืออนุปาธาปริณิพานกุศลศีลมีความไม่มีวิปัิสารเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์ความไม่มีวิปัิสารมีปราโมทเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์ปีติ มีปัสสัต t h เป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์ปัสสัต t h มีสุขเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์ยถาภูตยานัทสนะมีนิพพิทาเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงส์นิพพิทา มีวิราคาเป็นอัฏถะเป็นอนิสงส์วิราคามีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอัฏถะเป็นอนิสงส์ภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหลายย่อมยังธรรมะทั้งหลายให้บริบูรณ์เพื่อการไปจากภาวะอันไม่ใช่ฟัง สู่ภาวะที่เป็นฝังโดยประการดังนี้แลสัมมาทสนะมีนิพพิธาเป็นอัฏฐะนิพพิธามีวิราคะเป็นอัฏฐะวิราคะมีวิมุตติเป็นอัฏฐะวิมุตติมีนิพพานเป็นอัฏฐะ สีล aroma, ime, ume, vision, omen, everyday, ime, ant, uteur, วิสุทธ e, ิเพียงแค่มีจิตตาวิสุทธิเป sì ็นอัฏฐะจิตตาวิสุทธิเพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นอัฏฐะทิฏฐิวิสุทธิเพียงแค่มีกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นอัฏฐะกังขาวิตรณะวิสุทธิเพียงแค่มีมรคามรคยานัทสนะวิสุทธิเป็นอัฏฐะมรคามรคยานัทสนะวิสุทธิ เพียงแค่มีปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเป็นอัฏฐะปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเพียงแค่มีญาณทัศ น, นวิสุทธิเป็นอัฏฐะญาณทัศนวิสุทธิเพียงแค่มีอนุ ป, ปาทาปรินิญพานเป็นอัฏฐะความจากบาลีต่อไปนี้จะช่วยให้ได้แง่มุม ที่ช่วยให้เข้าใจอัดหรืออัฏถชัดขึ้นและเป็นการสรุปไปด้วยการบัเป็นประโยชน์ในวงเล็บอัฏถโดยคนที่ไม่รู้จักประโยชน์อันพึงหมายในวงเล็บอัฏถไม่นำความสุขมาให้คนเขาย่อมพลานประโยชน์คืออัฏถาเสียเหมือนดังลิงเฝ้าสวน พึงวินิจัยธรรมะให้ถึงต้นเขาจึงจะเข้าใจอัฏฐแจ้งจัดด้วยปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติเป็นบุคคลหาได้ยากพวกหนึ่งในโลกพริภาชคถามว่าท่านสาริบุตรอะไรหนอทำได้ยากในธรรมะวินัยนี้ตอบว่า การบวชสิท่านทำได้ยากในธรรมวินัยนี้ผู้ที่บวชแล้วอะไรเล่าทำได้ยากความยินดีสิท่านผู้บวชแล้วทำได้ยากผู้ยินดีแล้วอะไรเล่าทำได้ยากธรรมานุธรรมปฏิบัติสิท่านอันผู้ยินดีแล้วทำได้ยากนานสักเท่าไรหนอภิกษุผู้ธรรมานุธรรมปฏิบัต จึงจะได้เป็นอรหันต์ตอบว่าไม่นานเลยท่านสำหรับพุทธพจน์ประโยคแรกนั้นคนที่ไม่รู้จักอัฏฐะแปลาจากอ น, นัตถากุศละแปลเอาความว่าคนสลัดไม่เข้าเรื่องคำว่าอัฏฐานี้สูจิแห่งอภิ น, นันปฏิปิกา แสดงความหมายไว้ก้าในยะน่าสังเกตว่าในคำภีรุ่นรองและชั้นอัตถกถานิยมใช้อัตถในแง่ที่เป็นความหมายเช่นชื่อว่าสัมมาสมาธิโดยอัตถะคือไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธิโดยอัตถะคือตั้งมั่นแต่ในพระบาลีชั้นเดิมมักใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์หรือความมุ่งหมายเช่นสมาธิ มียะถาภูตยานทัศนะเป็นอัฏฐะคือมีการรู้เห็นตามเป็นจริงเป็นที่หมายเป็นต้นที่เคยอ้างแล้วคำว่าให้ถึงต้นเขาแปลาจากโยนิโสอัตถคถาไขความของบาลีแห่งนี้เสียสูงสุดยอดโดยแปลว่าวิจัยธรรมคืออริยสัจสี่โดยแยกายจึงเห็นแจ้งสัจธรรมด้วยมรคปัญญาพร้อมทั้งวิปัสนา ในทางธรรมะน่าจะได้เน้นความสำคัญของความคิดความเข้าใจแบบนี้ไว้เสมอๆจะเห็นได้ว่าแม้แต่ความเป็นกลางของทางสายกลางหรือความเป็นมัชชิมาของมัชชิมาปฏิปทาก็กำหนดด้วยความรู้ความเข้าใจตรหนักในจุดหมายของการปฏิบัติแม้หลักธรรมต่างๆที่แบ่งย่อยออกมาหรือเป็นองค์ประกอบของมัชิมาปฏิปทานั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเป้าหมายจำเพาะ และจุดหมายรวมซึ่งจะต้องเข้าใจและตระหนักไว้เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อให้ข้อธรรมเหล่านั้นเข้าสัมพันธ์กลมกลืนและรับช่วงสืบทอดกันนําไปสู่ผลที่มุ่งหมายพูดอีกในย่าหนึ่งว่าความรู้เข้าใจตระหนักในจุดหมายและขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรมต่างๆเป็นเครื่องกําหนดความถูกต้องพอเหมาะพอดี แห่งการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆซึ่งทําให้เกิดธรรมานุธรรมปฏิบัติเมื่อมองในแง่ปรมัทิตย์คือไม่ใช่ในแง่ทิฏิธรรมิกัดหรือสัมปรายิกัดปรัฏฐะหรือในแง่สังคมเมื่อมองในแง่ปรมัทิตย์ศีลสมาธิและปัญญาต่างก็มีจุดหมายสุดท้ายเพื่อนิพพานเหมือนกันแต่เมื่อมองจํากัดเฉพาะตัว และละอย่างมีขีดขั้นขอบเขตของตนที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับอย่างอื่นจึงจะให้บรรลุจุดหมายสุดท้ายได้ลำพังอย่างหนึ่งอย่างเดียวหาสาเร็จผลล่วงตลอดไม่แต่จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสียทีเดียวก็ไม่ได้จึงมีหลักว่าศีลเพื่อสมาธิสมาธิเพื่อปัญญาปัญญาเพื่อวิมุติ ถ้าปฏิบัติศีลขาดเป้าหมายก็อาจกลายเป็นศิลปรปตาปรามาตรช่วยส่งเสริมอัตกิลมัฐานุโยกถ้าบำเพ็ญสมาธิโดยไม่คำนึงถึงอัตถะก็อาจหมกติดอยู่ในฤทธิปาฏิหารส่งเสริมมิจฉาทิฐิบางอย่างหรือส่งเสริมติราชานวิชาบางประเภทถ้าเจริญปัญญาชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติ ก็เป็นอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทาไม่ไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาอาจหลงอยู่ข้างๆระหว่างทางหรือติดค้างในมิจฉาทิฐิแบบใดแบบหนึ่งโดยในย่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ขาดโยนิโสมนสิการจึงอาจปฏิบัติผิดพลาดค่อยแขวได้ทุกขั้นตอนเช่นในขั้นต้นคือระดับศีลมีหลักทั่วไปอยู่ว่า การรักษาศีลเคร่งครัดบริสุทธิ์ตามบทบัญญัติเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติพึงตรหนักอยู่เสมอว่าจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากแก่ศีลอย่างไรก็ตามทั้งที่เป็นผู้เคร่งรัดในศีลและให้ความสำคัญแก่ศีลเป็นอย่างมากนี่แหละถ้าขาดความตรหนักในด้านอัตถธรรมสัมพันธ์ขึ้นมาเมื่อใด คือลืมนึกถึงความหมายและความมุ่งหมายของศีลที่เป็นเครื่องชี้บอกขอบเขตคุณค่าและตำแหน่งเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆความเผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ทันทีผู้ปฏิบัติอาจมองศีลเป็นภาวะสมบูรณ์ในตัวซึ่งตั้งอยู่โดดๆลอยๆไม่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือไม่อีกอย่างหนึ่งความไม่ระหนักถึงความหมาย และความมุ่งหมายของศีล น, นั้นก็นำไปสู่ความยึดติดถือมั่นในรูปแบบทำให้เกิดการกระทาที่สักว่าปฏิบัติสืบๆกันไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่มองศีลในฐานะข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมตนบางพวกถือเพลินโดยไม่รู้ตัวถลำเลยไปเหมือนว่าความเคร่งรัดเข้มงวดเป็นความดีเสร็จสิ้นในตัวเอง เมื่อทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะดีเองจะสำเร็จเองหรือจะสำเร็จได้เพียงด้วยการเคร่งรัดเข้มงวดในเรื่องศีลวัรกลายเป็นให้ศีลวัดเป็นที่จบสิน้นมิใช่ศีลมีเพื่อจุดหมายหรือรู้สึกเหมือนว่าเพียงศีลก็พอให้บรรลุจุดหมายบ้างก็ถือเพลินต่อไปอีกว่ายิ่งเคร่งรัดเข้มงวดเท่าใดก็ยิ่งดี พอถึงขั้นนี้ก็เป็นอันขาดจากความตรหนักในความมุ่งหมายของศีลโดยสิ้นเชิงผู้ปฏิบัติจะพยายามปรุงแต่งข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดเข้มงวดขึ้นมาถือให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปป่ายผู้มองการปฏิบัติที่ขาดโยนิโสมนสิกาในด้านนี้ก็เช่นกันเมื่อเห็นการปฏิบัติเรคร่งรัดเข้มงวดทำยากเกินปกติมากเท่าใด ก็ยิ่งโน้มเอียงที่จะเลื่อมสายยิ่งขึ้นเท่านั้นภาวะเช่นนี้เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติเข้มงวดบีบรัดตนเองผิดวิสัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าปฏิปทาเฮี้ยมเครียมของพวกนักบวชชีเปลื่ยซึ่งเป็นศีนลลพตะประาปรมาตและเป็นข้อปฏิบัติเอียงสุดป่ายอัตตากิลมัานุโยก เช่นถือกินแต่ผักดองถือกินหญ้าถือกินแต่ผลไม้หล่นถือนุ่งห่มผ้าบางสุกุลถือห่มผ้าคากรองถือทอนผมถอนนวดถือนอนบนหนามเป็นต้นและที่รุนแรงผิดธรรมดากว่านี้อีกเป็นอันมากในข้อปฏิบัติบางอย่างของปฏิปทานนี้ท่านยอมรับเข้ามาในพุทธศาสนาอนุญาตให้ภิกษุถือได้ เช่นการถือผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วแต่โดยเหตุผลที่เข้ากับลักษณะเป็นอยู่ง่ายหาง่ายไม่มีโทษและก่อนจะใช้ต้องซักต้มเย็บย้อมให้เรียบร้อยได้กำหนดตามระเบียบและให้ถือเป็นข้อปฏิบัติพิเศษตามสมัครใจไม่บังคับส่วนผู้ถือศีลโดยเข้าใจความมุ่งหมายก็ยอมมองความเคร่งรัดมีระเบียบเป็นเบื้องแรกเหมือนกัน แต่จะคำหนึงหรือถามให้เข้าใจว่าข้อนี้ข้อนี้เพื่ออะไรสัมพันธ์กับส่วนอื่นในระบบการปฏิบัติอย่างไรรู้จักแยกเช่นว่านี้เป็นศีลคือระเบียบกลางนี้เป็นวัดเป็นรสคือข้อปฏิบัติเสริมท่านผู้นี้ควรถือข้อปฏิบัติเข้มงวดมากข้อนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้ท่านผู้นี้ไม่ควรถือข้อนี้ ด้วยเหตุผลดังนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้ถือบังคับเสมอกันเพราะเหตุหรือเพื่อผลดังนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้สมัครใจเลือกได้เพราะเหตุหรือเพื่อผลเกี่ยวด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนี้ดังนี้ผู้นี้ปฏิบัติเคร่งเข้มงวดและได้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีท่านผู้นี้ปฏิบัติเคร่งเข้มงวดแต่ไม่สาเร็จผลดี นี่เพราะอะไรผู้หนีเรกรงรัดน้อยไม่ค่อยเข้มงวดเหตุด้จึงก้าวหน้าในการปฏิบัติดีกว่าผู้โน้นที่เรกรงรัดเข้มงวดดังนี้เป็นต้นในทางปฏิบัติวิธีคิดแบบนี้อาจจะลดความสำคัญลงบ้างในกรณีที่มีกัลยาณมิตรคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ชิดก็ดำเนินปฏิปทาด้วยศรัทธา โดยไว้วางใจต่อปัญญาของกัลยาณมิตรนั้นก็หวังว่าค่อยๆทำค่อยๆรู้ไปถ้ากัลยาณมิตรมีปัญญามีคุณภาพดีจริงก็จะชี้แจงหรือชี้ช่องให้เขารู้ข้อใจอัตตะรู้ข้อใจธรรมะไปตามลำดับ